เราทุกคนเปรียบเหมือนนอโบวเกลือกลัวคล้าโคลนกิเลสมายาเวียนวายลุ่มหลงเวียนวนวัฏสงสารกว่าจะพลกรกรรมสายน้ำเวียนทุกระธม